หนึ่งร้อยสี่สิบศาสนาพุทธยุคนี้ได้ผิดเพี้ยนไปเหมือนยุคเก่าแล้วซึ่งแตกต่างจากการปฏิบัติลืมตาที่รู้เห็นภาวะภายนอกภายในเพราะได้เรียนรู้ศึกษารู้จักรู้แจ้งรู้จริงสภาวะจริงแห่งเพศที่ต่างกันลิงคคะทั้งสองสภาวะ ด้วยการสัมผัสของแท้ของจริงด้วยตนทั้งนอกตนและในตนจริงๆทั้งหยาบทั้งละเอียดนี้แหละความแตกต่างประตูรแรกของโลกของสังคมยุคนั้นที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศไขความจริงให้โลกรู้นวัตกรรมทฤษฎีใหม่ธรรมะชนิดใหม่ของพระองค์ในยุคนั้นว่า พระองค์มีความจริงที่จริงครบครันกว่าพรักพร้อมกว่าสัมผัสได้กระจาะกระจ่างยิ่งกว่าในวงการาศาสนาพุทธยุคนี้ทุกวันนี้ก็พาการหลับตาทมสมาธินั้นหนึ่งกับอีกชนิดหนึ่งมีแต่ตรึกตา ก, กี้ ค้นคิดวิมังสีแล้วก็เป็นนักรู้นักปราชญกศึกษาที่จบศาสตร์ระดับป ร, ริญญาป ร, ริญญาประกาศนียบัตรสูงสูงกันที่เป็นผู้บรรลุกับผู้รู้ทางศาสนาเป็นนักปรัชญาทางการศาสนานี่แหละ ที่ผุดอยู่ในข่ายมิจฉาทิฏฐิ6กกันจนหลงตนว่าตนเท่านั้นเป็นผู้รู้ซึ่งเป็นการหลงเวียนกลับไปตกอยู่ในฝันอย่างมิจฉาทิฏฐิเหมือนยุค ก, ก่อนพระพุทธเจ้าอุบัตติแล้วก็ผุดอยู่แต่ในฝันออกจากข่ายไม่ได้ ชาวพุทธยุคนี้หลงผิดหลงเพี้ยนไปเป็นเช่นยุคเก่าแล้วจริงๆชัดเจนยิ่งนี้คือความจริงที่ยืนยันในาศาสนาพุทธวันนี้พรหมชาลสูตรนี้เป็นสูตรที่หนึ่งที่เปิดเผยมิจฉาทิฐิตั้งแต่ประเด็นสำคัญคือไม่มีศีลธรรมนูญของพุทธแล้วและจมอยู่กับอดีตอนาคต ตรวจสอบกันดูเถิดว่าทำสมาธิหลับตาแล้วจมอยู่กับอดีตกับอนาคตนี้ทั้งผู้ปฏิบัติสมาธิในป่าทั้งผู้ปฏิบัติสมาธิในบ้านยุคนี้มีจริงทั้งสองนัยยะที่เป็นจริงกัน มันเข้าข่ายอดีตหรืออนาคตก็ดีหรือแม้แค่การตรึกตั ก, กีการค้นคิดวิมังสีก็ดีที่เราตกอยู่ในสภาพของความจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสจริงไหมถ้าจมอยู่กับอดีตกับอนาคตหรือได้แค่การตรึกตรั ก, กี การค้นคิดวิมังสีมันก็ศูนย์เปล่าแท้ๆมันงมอยู่ในฝันกันทั้งนั้นมันมิชาทิฐิมันจึงไม่มีทางบรรลุนิพพานได้แน่นอน